มานะสนิมในใจหมายเลข13มานะเป็นอุปกิเลสอีกข้อหนึ่งที่ออกจะพิกลอยู่สักหน่อยคือถ้าพูดน้อยความแจมถ้าพูดมากความมัวเป็นแต่แปลคำว่ามานะออกเป็นภาษาไทยขยายความสักสองสามคำท่านผู้อา่านร้อยทั้งร้อยจะเห็นด้วยทันทีว่า กิเลสข้อนี้ช่างเลวร้ายอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าจะพูดอย่างนี้หมายความว่าขบายเจ้าจะต้องเล่นไม่ซื่อกับมานะคือเรื่องของมานะเขามีมากแต่พูดเพียงบางส่วนแล้วก็อบไว้เสียบางส่วนไม่พูดให้หมดแต่ถ้าจะพูดให้หมดคือเรื่องของมานะมีเท่าไหร่ชักมาพูดให้หมดอย่างเช่นเรื่องมายาที่พูดมาแล้วนั้น ทันผู้อ่านเองแหละจะยุ่งยุ่งจนไม่ทราบว่ามาณะเสียหายอย่างไรจึงถูกเกณฑ์เอามาเป็นอุปกิเลส ด, ด้วยเรื่องแบบนี้ก็คล้ายๆกับการทำรูปคดีของตำรวจนั่นแหละถ้าคำฟ้องน้อยและอ้างพยานแต่พอสมควรจำเลยมักจะไปไม่รอดแต่ถ้าคดีใดเจ้าหน้าที่ทำเป็นเรื่องใหญ่โตอึกทึกึกโครมมีการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เป็นการใหญ่ มีการกล่าวท้าอวดอ้างว่าเจอเงื่อนปมอะไรร้อยแปแล้วก็อ้างนับเป็นร้อยๆสอบสวนกันเป็นปีต้องขออำนาจศาลขังจำเลยครั้งแล้วครั้งเล่าคดีแบบนี้คดีใหญ่อย่างนี้ลงท้ายมักจะเหลวคือหาความผิดจากจำเลยไม่เจอเรื่องมาหน้านี้ก็คล้ายๆกันพูดน้อยได้เรื่องพูดมากเสียความ ที่เป็นเช่นนี้เพราะมานะมีหลายชั้นมานะชั้นหยาบเลวแท้ไม่มีปัญหาเป็นที่ตำหนิติเตียนทั้งทางโลกทางธรรมส่วนมานะอย่างละเอียดกลับมาเป็นความดีอย่างโลกโลกแต่เป็นความเสียหายสำหรับผู้มุ่งโล ก, กุตรละคือพ้นจากโลกนี่สิที่จะทำยุ่งยากแต่เอาล่ะยุ่งก็ต้องสาง ยากก็ต้องสู้ทำอะไรชอบหนีที่ยากบากไปหาแต่ที่ง่ายประเดี๋ยวก็เสียนิสัยกันหมดเท่านั้นข้าพเจ้าได้เคยบรรยายไว้แล้วว่ากิเลสในใจคนมีอยู่หลายชั้นตั้งแต่อย่างห ย, ยาบๆยบเรื่อยเข้าไปจนกระทั่งอย่างละเอียดกิเลสชนิดเดียวกันเมื่อต่างชั้นความหมายก็ต่างกันบางทีท่านเรียกชื่อต่างกันเลยทีเดียว แต่บางทีก็คงชื่อเดิมไว้ชั้นของกิเลสนั้นแยกพอเป็นทางศึกษาท่านแยกไว้สามชั้นคือชั้นหยาบแสดงออกภายนอกชั้นกลางนอนนิ่งอยู่ในใจเรียกว่าอนุสัยชั้นละเอียดเพียงทำจิตไม่ให้หลุดพ้นเรียกว่าสังโยชน์สำหรับกิเลสข้อมานะนี้มีอยู่ทั้งสามชั้น คือชั้นหยาบๆที่เรียกว่าอุปกิเลสชั้นกลางที่เรียกว่าอนุัยชั้นละเอียดที่เรียกสังโย์โปรดสังเกตในภาพต่อไปนี้ภาพแนบไว้ใต้คลิปการที่เรียงตัวอักษรเข้าไปในกรอบเช่นนี้ทำความลาบากให้ช่างเรียงพิมพ์อยู่ไม่น้อยแต่ก็ต้องขอรบกวนเพื่อจะแสดงให้ท่านผู้อ่านเห็นง่ายๆว่า กิเลสในใจของเรามันละเอียดเข้าไปเป็นชั้นๆชั้นหยาบคืออุปกิเลสนั้นสุภาพชนคนสามัญเราธรรมดาก็พอจะเอาชนะได้ชั้นอนุสัยนั้นละเอียดเข้าไปอีกเป็นวิสัยของกัญญาณชนผู้ประรบความเพียรแกรงกล้าที่จะเอาชนะส่วนชั้นในที่สุดคือชั้นสังโยชน์ต้องเป็นพระอริยบุคคลจึงจะตัดขาด กิเลชั้นสังโยชน์นี้เวลาพระอริยบุคคลท่านละท่านก็ละจากหมายเลขหนึ่งลงไปตามลาดับเมื่อละได้หมดถึงหมายเลขสิบก็สาเร็จเป็นพระอรหรันและเป็นอันสิ้นกิเลสแล้วโดยเด็ดขาดเวลานี้เรากำลังพูดถึงกิเลสข้อที่ชื่อว่ามานะขอให้ท่านสังเกตดูในกรอบนั้นจะเห็นว่า มานะปรากฏชื่อในกิเลส ท, ทั้งสามชั้นและอยู่ในลำดับเกือบรองโลทั้งสามชั้นเหมือนกันในอุปกิเลส16ข้อมานะมาในลำดับที่13ถึง14ในอนุสัย7ข้อมานะมาในลำดับที่หและในสังโยชน์10มานะมาในลำดับที่8ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่ามานะเป็นกิเลส ท, ที่ กินลึกอยู่ในการบรรยายนี้เขาพระเจ้าจะบรรยายเฉพาะมานะชั้นหยาบคือชั้นอุปกิเลสเท่านั้นโปรดเข้าใจตามนี้ด้วยเอาล่ะเชิญพิจารณาอุปกิเลสข้อมานะต่อไปมานะแปลว่าความถือตัวตรงกับพฤติการที่ชาวบ้านเราพูดกันว่าความเย่อหยิ่งความจองหอง ความทนงกิริยาเหล่านี้แหละที่เรียกว่ามานะเป็นอุปกิเลสข้อนี้สิ่งที่คนมีมานะอ้างอิงในการถือตัวนั้นมีหลายอย่างเช่นถือตัวว่าตระกูลสูงถือว่าตัวความรู้สูงถือว่าตัวยศสูงถือว่าตัวมีอำนาจหน้าที่สูงหรือจะถือความสูงในทางใดก็ได้ สิ่งที่ถือนั้นมันเป็นเพียงเชื้อให้มานะแทะเหลี่มเท่านั้นลงได้มีมานะแล้วใจมันก็หาเรื่องถือจนได้ไม่มีอย่างหนึ่งก็ถืออย่างหนึ่งเหมือนกับคนอวดที่บรรยายมาแล้วนั่นเองตัวไม่สูงพอก็อาจจะเอาความสูงของคนอื่นมาถือก็ได้เช่นถือว่าตัวรู้จักกับคนมียศสูง ตนใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจสูงหรือชั้นที่สุดแม้แต่เป็นเพื่อนกับคนใช้ของท่านผู้มีอำนาจสูงก็ได้เหมือนกันคนประเภทนี้บางทีเราเรียกกันว่าคนหัวสูงประชอบถือเรื่องสูงๆดังกล่าวแล้วแต่เพราะค่าที่คนถืออย่างนี้ชอบถือตัวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราเลยเรียกอีกอย่างว่าคนถือตัว การที่เราจะคืบหน้าต่อไปข้าพเจ้าจะขอย้ำเสียอีกครั้งว่าความถือตัวที่ท่านจัดว่าเป็นมานะในที่นี้เฉพาะการถือตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการทำความดีเท่านั้นเช่นถือว่าตัวเองเกิดในตระกูลสูงถึงใครจะพูดถูกอย่างไรก็โอนเอ็นไปตามไม่ได้ถือเอาตัวขึ้นมากันท่าไม่ให้ตัวเองทำความดีอย่างนี้เท่านั้น ที่เรียกว่ามานะถ้าถือตัวเพื่อทำความดีหรือเพื่อเว้นจากความชั่วก็ไม่เป็นมานะตามความหมายในอุปกิเลสนี้เช่นถือตัวว่าเป็นลูกคนมีสกุลและไม่ยอมทำความเสื่อมเสียต่างๆถือตัวว่าเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่ยอมร่วมหัวกับผู้ทุจริตถือตัวว่าเป็นพระเป็นสง ไม่ยอมหาเลี้ยงชีพด้วยปัจจัยที่ได้มาโดยไม่บริสุทธิ์ถืออย่างนี้ไม่เป็นมานะรวมความว่ามานะคือการถือตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการทำความดีหรือไม่ยอมเลิกละความชั่วตรงกับพฤติการที่เราทราบกันอยู่ทั่วไปคือความเย่อหยิ่งจองห่องเขียนมาถึงตรงนี้ไปนึกถึงสำนวนชาวบ้านอีกคำหนึ่ง คือชมคนอดทนว่าเป็นคนมีมานะเช่นเห็นคนมีความขยันหมั่นเพียรทำงานไม่ท้อถอยแล้วชมว่าเป็นคนมีมานะอดทนเหตุใดจึงแปลมานะเป็นอดทนข้าพเจ้ายัางมองไม่เห็นหรือจะว่าคาว่ามานะอดทนนั้นหมายถึงมานะกับความอดทน ก็จะไปกันไม่ได้เพราะมานะเป็นกิเลสอดทนเป็นคุณธรรมจะเอาชนความกันได้อย่างไรแต่ความเห็นของข้าพเจ้าเห็นว่าคำว่ามานะอดทนนี้น่าจะเป็นการออกเสียงผิดเพี้ยนไปที่ถูกน่าจะใช้คำว่ามานะอดทนคือมอม้าเสียงสั้นไม่ใช่มา มณะแปลว่าใจมณะอดทนก็แปลว่ามีใจอดทนในความชัดเจนทีเดียวเรื่องนี้สุดแต่ท่านผู้รู้จะโปรดพิจารณาสำหรับข้าพเจ้าเองเวลาพูดพูดว่ามณะอดทนทุกครั้งคำว่ามณานะนั้นแปลว่าใจได้เหมือนกันเปลี่ยนรูปไปตามวยากรณแต่ดูไม่เหมาะที่จะใช้ในกรณีนี้ ตอนโทษของมานะพูดเรื่องโทษของมานะต่อไปสําหรับปัญหาที่ว่ามานะมีโทษหรือไม่ทําให้คนเสียหรือไม่เห็นจะไม่เป็นปัญหาเพราะต่างก็แจ้งแก่ใจอยู่แล้วคนเย่อหยิ่งจองหองนั้นไม่มีใครชอบแม้แต่พี่น้องกันก็รังเกียจถึงคนที่มีมานะเต็มตัวแต่นั่งนินทาคนที่มีมานะ ก็เคยเห็นมากับตาแล้วแสดงว่ามานะทำให้คนเสียแน่เราแยกแยะดูโทษของมานะกันเลยทีเดียวดีกว่าคือแยกดูว่ามันทำให้อะไรในตัวคนให้เสียหายบ้างเท่าที่พอจะสรุปได้และเห็นได้ชั ด, ชดมานะทำให้คนเสียสามลักษณะด้วยกันคือหนึ่งเสียตัวสอง เสียมิรและ 3. เสียหมู่คณะที่แยากเช่นนี้แยกพอแต่ให้ท่านมองเห็นทางศึกษาและทางปฏิบัติเท่านั้นประการแรกมานะเสียตัวหมายความว่าเสียผลประโยชน์ที่ตัวควรจะได้เพราะคนมีมานะนั้นเป็นคนถือตัวแล้วก็เหยียดคนอื่นเห็นใครๆเป็นคนต่ำต้อยน้อยหน้าไปเสียหมด ไม่คุกควรที่จะบอกกล่าวสั่งสอนตัวในจำพวกนักเรียนหรือคนที่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะเช่นในโรงเรียนหรือในวัดเรามักจะได้พบเห็นคนประเภทหนึ่งที่ถือตัวว่าเป็นผู้ใกล้ชิดหรือเป็นคนโปรโดของผู้เป็นหัวหน้าที่เราเรียกกันอย่างอิจหน่าระอาใจว่าลูกสมภารหลานเจ้าวัดไม่ยอมฟังเสียงใคร เพราะถือตัวว่าเป็นคนสำคัญกว่าสูงกว่าคนอื่นก็เลยไม่มีใครอยากจะแนะนำสั่งสอนให้ด้วยเขารำคาญก็เลยทำเป็นอ่อนน้อมและทำทีว่าตนมีความรู้ความเข้าใจน้อยกว่าไปเลยพฤติการเช่นนี้มีอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะตามสถานศึกษาต่างๆและผลที่สุดเป็นอย่างไรคือเวลาสอบไล่ บรรดาลูกท่านหลานเธอตกระดับกันเป็นแถวแถวในวัดก็เหมือนกันพวกที่ทําตัวเป็นลูกสมภารหลานเจ้าวัดการเรียนมักจะล้มเหลวเวลานี้ยังนึกหาตัวอย่างไม่ออกจริงๆว่าผู้วางตัวเช่นนั้นมีใครเรียนเก่งไม่ใช่เสียแต่การเรียนเท่านั้นพลอยเสียนิสัยเอาด้วยชอบเหยียดคนชอบดูถูกคน เราทนงตัวว่าไม่มีใครกล้าว่าแต่ความจริงแล้วการที่คนอื่นเขาไม่ว่านั้นเป็นการลงโทษแก่คนมีมานะอย่างหนักทีเดียวโทษเอ๋ยเกิดมาเป็นคนแล้วไม่มีคนช่วยว่ากล่าวตักเตือนจะเอาตัวรอดได้อย่างไรอันหนึ่งที่ข้าพเจ้าใช้คำว่าลูกท่านหลานเธอก็ดีใช้คำว่าลูกสมภารหลานเจ้าวัดก็ดี ถือว่าเป็นสำนวนพูดหมายถึงคนเจ้ามานะเท่านั้นโปรดอยากเข้าใจว่าคนที่เป็นลูกเป็นหลานคนใหญ่คนโตแล้วจะเป็นอย่างนี้ทุกคนหาไม่ได้คนที่เป็นลูกท่านหลานเธอจริงๆที่เป็นคนว่านอนสอนง่ายและมีสัมมาคารวะมิอยู่เป็นอันมากส่วนคำที่พูดนั้นเป็นเพียงสำนวนภาษาเท่านั้นในด้านความเจริญก้าวหน้านั้นเห็นได้ชัดทีเดียวว่า คนเจ้ามานะผ้นที่สุดจะตายซากเมาความสูงของตัวเองแต่แล้วจะกลับมาสุดต่ำลงเมาความโตของตัวเองแต่แล้วจะกลับแฟบลงอีกเหตุใดข้าพเจ้าจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่ามานะนั้นเมื่อเกิดขึ้นในใจแล้วมันทำให้ผู้นั้นขีดวงขังตัวเอง ยิ่งมานะจัดเท่าไหรก็ยิ่งขีดวงขังตัวเองแคบเข้าเท่านั้นให้มีอันรังเกียจคนอื่นคนโน้นก็ต่าคนนั้นก็เตี้ยไม่คู่ควรที่ตัวจะคบหาสมาคมไม่เหมาะที่จะร่วมงานความรู้สึกของคนเจ้ามานะเป็นอย่างนี้ท่านผู้อ่านทราบอยู่แล้วไม่ใช่หรือว่าประสาทราชวังซึ่งเป็นยอดเป็นจอมของเคหสถาน เขาสร้างขึ้นด้วยไม้ที่เกิดในป่าถ้ารังเกียจว่าไม้นั้นมาจากบ้านนอกบ้านนาแล้วท่านจะสร้างปราสาทด้วยไม้อะไรท่านจะถือว่าต้องเป็นไม้ที่เกิดในเมืองหลวงจึงจะคู่ควรกับการสร้างวังก็เชิญเลือกดูอย่างดีก็ไม้ฉ่ำฉาสร้างแล้วฝนสองฝนก็พังพระเจดีย์ที่สูงตรงานเทียมเมฆ คูบาคู่เมืองนั้นก็สร้างด้วยดินด้วยหินด้วยทรายของต่ำทั้งนั้นไม่มีใครไปเอาก้อนเมฆดาวเดือนมาสร้างของต่ำนั่นแหละที่ทำให้สูงชีวิตจิตใจของคนเราก็เหมือนกันความรู้ก็ดีอำนาจวาสนาก็ดีจะสูงขึ้นได้ต้องอาศัยคนต่ำช่วยหนุนให้ เรื่องนี้คนมีมานะแล้วมองไม่เห็นดูแต่ร่างกายเนื้อตัวของเรานี้ก่อนก็ได้ที่มันเติบโตมาแล้วก็มีชีวิตชีวาอยู่ได้ลองคิดดูสิว่ามันกินของสูงหรือของต่ำข้าวก็ปลูกขึ้นจากต้มจากโคลนในท้องนาไม่ใช่หรือผักก็ปลูกขึ้นจากพื้นดินใส่ปุ๋ยขี้เป็ดขี้ไก่ไม่ใช่หรือหมูที่เรากินก็หมูใต้ถุนบ้าน บัวควายที่กินเนื้อก็สัตว์บรรณอกกินหญ้ากินใบไม้ทั้งนั้นลองนึกดูสิชีวิตเราอยู่ได้เพราะของต่ำๆแล้วก็ของบรรณอกใช่หรือไม่มีใครบ้างที่โตมาเพราะกินดาวกินเดือนที่เป็นของสูงมีใครบ้างที่โตเพราะกินสัตว์ที่สูงสักแล้วถ้าจะหากินแต่สัตว์เกิดในกรุงก็คงจะเจอแต่พวกยุงมแมลงวัน จิงโจตุกแกซึ่งไม่เคยมีใครโตพระสัตว์พวกนี้เรื่องอำนาจวาสนาก็เหมือนกันเรียนวิชาปกครองแล้วจะเป็นนักปกครองที่ดีเด่นขึ้นได้ก็ต้องปกครองคนที่ยังยากจนขึ้นมาเรียนวิชาทหารจะเลื่อนขึ้นเป็นในพันในพลได้ก็ต้องอาศัยพลทหารพลทหารบ้านนอกนั่นแหละ สร้างดาวสร้างมงกุฎสร้างช่อชัยพฤกษ์ให้ในทหารนี่แหละท่านนี่คือความจริงไม่ว่าอะไรทั้งนั้นจะโตจะสูงขึ้นได้ล้วนแต่ต้องอาศัยของต่ำเข้าหนุนไว้แต่คนเจ้ามาน้ามองไม่เห็นประมัวแต่เมาสูงเมาใหญ่คิดดูถูกเหยียดหยามคนอื่นโน่นก็ต่ำนั่นก็ปัญ น, นอก ฮานึกไม่ว่ากระห่าที่ตนเสวยสุขอยู่นั้นก็สร้างด้วยไม้ซึ่งเกิดอยู่ในป่าก็ด้วยอิฐหินปูนทรายซึ่งเป็นของต่ําทั้งสิน้นร่างกายของตัวเองเติบโตอยู่ได้ด้วยอะไรเสียอีกละ่ะไม่ใช่ของบรรนอกข้าวเกิดในโคลนผักที่งามเพราะขี้เป็ดขี้ไก่ดอกหรือเนื้อหนังที่เราหลงไหลว่าสูงสักด์นักหนานี้ ความจริงก็หล่อเลี้ยงไว้ด้วยเลือดเนื้อของสัตว์ดิรชาชันไม่ใช่หรือคนมีมานะถือว่าตัวสูงมักจะมองข้ามความจริงเหล่านี้ไปเสียหมัวนั่งว่านอนว่ารังเกียจคนบ้านนอกเหยียดย้มคนที่ตัวเห็นว่าชั้นต่ำซึ่งที่แท้แล้วตัวเราทั้งตัวนี่แหละสร้างขึ้นด้วยคนบ้านนอกสร้างขึ้นด้วยของต่ำด่าเขาก็คือด่าเราเอง เกลียดเขาก็คือเกลียดตัวเราเองง่หรือฉลาดโปรดตรองดูประการที่สองมานะเสียมิตรคือเสียทางสังคมที่เสียนั้นเสียทั้งสองทางคือมีมานะแล้วจะคบคนอื่นก็ลำบากและคนอื่นจะมาคบก็ลำบากเหมือนกันในประเด็นแรกหมายความว่าคนที่มีมานะในใจ เกิดความสำคัญว่าตัวดีวิเศษกว่าคนอื่นเลยทำให้รู้สึกรังเกียจที่จะคบหาสมาคมกับใครๆที่เต็มใจสมาคมด้วยก็มีบ้างแต่น้อยตัวเต็มทีเพราะความรู้สึกของคนมีมานะมักจะเห็นว่าไม่มีใครหรือมีก็น้อยเต็มทีที่จะมีความสำคัญเท่าเทียมตัวฉะนั้นประเภทนี้จึงกลายเป็นคนแคบในสังคม ส่วนประเด็นหลังที่ว่าคนอื่นจะมาคบก็ลาบากนั้นพูดง่ายๆก็คือคนทั้งหลายพากันรังเกียจเพราะคนเจ้ามานะเป็นคนเอาใจยากเจ้ายศเจ้าอย่างไม่พอจะถือก็ถือไม่พอจะโกรธก็โกรธเมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าจะอยากคบคนที่คบกันอยู่ง่ายๆมีอยู่เต็มปฐพีแล้วทุระอะไรจะมัวใยดีกับคนที่ คบหาอย่างลำบากลำบนเช่นนั้นเมื่อมีงานที่จําเป็นต้องติดต่อกันก็ทำไปอย่างแกนแกนเท่านั้นเองรถแห่งมิตรภาพแท้จริงหาไม่ไม่ก็พระเจ้าคิดว่าท่านผู้อ่านเองก็คงจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับข้าพเจ้าคือพอรู้ว่าใครเจ้ายศเจ้าอย่างถือตัวจัดและเป็นคนที่เยยดหยามคนใจเรามันถอยทันที ไม่อยากคบหาสมาคมด้วยบางคนเป็นเอามากจริงๆขนาดคนที่เขาไม่เคยรู้จักหรือตนได้เลื่อนยศฐานนันดรสัก์ใหม่คนอื่นยังไม่รู้ทั่วกันจึงใช้สรรพนามผิดพลาดไปบ้างเท่านั้นก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟหาว่าเขาไพร่สถุนตระกูลต่ำอย่างนี้ก็เกินไปแต่มันก็มีจริง ใจข้าพระเจ้านั้นยิ่งได้ทราบว่าท่านผู้ใหญ่หรือเจ้านายองค์ใดท่านไม่ถือเนื้อถือตัวยิ่งรักยิ่งเคารพแม้แต่ตัวเองไม่มีวาสนาพอจะได้รู้จักกับท่านเพียงแต่มีผู้มาเล่าให้ฟังเช่นเล่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีนาธทรงย่อพระองค์ลงสนทนากับชาวบ้านนอกที่มาเฝ้ารับเสด็จ โดยไม่ทรงถือพระองค์เท่านี้ก็รู้สึกตื้นตันใจพูดตรงๆคือรู้สึกรักท่านขึ้นมาอีกมากทีเดียวในทางสังคมนั้นมณะทำให้เสียแน่เสียอย่างไม่มีปัญหาเลยใครไม่เชื่อก็ลองดูการถือตัวนั้นนอกจากจะทำให้สังคมมิสหายเสียดังกล่าวแล้วยังอาจทำให้เสียหายลุกลามไปถึงสังคมส่วนใหญ่ด้วย เช่นการแตกแยกของวัรณะทั้งสี่ในอินเดียแต่กันจนไม่เป็นท่าคนตั้งสามถึงสี่ร้อยล้านออนแอร์ air, ยิ่งกว่าชาติเล็กๆที่เขาสามัคคีกันเสียด้วยซ้ำแม้การเหยียดหยามคนผิวดำของชาวอเมริกันก็เรื่องมาณะนี้เหมือนกันทำให้ยุ่งเหยิงไม่น้อยเลยประการที่สาม มานะเสียหมู่แยมให้ฟังเพียงนิดหน่อยก็เห็นจะพอคือคนมีมานะนั้นชอบความอ้างสูงสักและความใหญ่โตของตนเองฟาฟื้นระเบียบแบบแผนต่างๆถ้าตัวไม่โตก็อ้างชื่อคนใหญ่คนโตขอร้องบ้างคูเข็นบ้างบีบบังคับบ้างให้คนอื่นกระทําผิดระเบียบแบบแผนเพื่อยกอภิสิทธิ์ให้ตน คนประเภทนี้มีแยะและก็ก่อเรื่องยุ่งๆไว้เยอะทุกวันนี้มีเสียงบ่นกันมากในฝ่ายทหารว่าทหารหย่อนวินยัยไม่แสดงความเคารพกันตามลำดับอาวุโสสิ่งที่่วงมือทหารผู้หย่อนวินัยนั้นไว้ไม่ให้แสดงความเคารพก็คือมานะนี่อย่างหนึ่งตอน ถอนมานะมานะเป็นกิเลสสายโมหะเพราะโง่จึงถือตัวเมาใหญ่เมาสูงลองเพิกสมมุติที่หุ้มตัวออกเสียบ้างมานะก็จะลดวูบลงทันทีการเพิกสมมุตินั้นข็อสำคัญอยู่ที่ว่าดูตัวจริงคือตัวเราจริงๆมันไม่มีอะไรกี่มากน้อยเลย มีโครงกระดูกเดินได้อยู่คนละชุดแล้วโครงนี้มักจะเป็นเพียงโครงชั่วคราวจนตายเต็มทีแล้วทั้งนั้นชาวโลกเขามาสมมุติให้เราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นในสิบในร้อยในพันในพลเป็นขุนเป็นหลวงเป็นพระเป็นพระยาเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณและเป็นอะไรอะไรอีกมากมายนี่มันเรื่องสมมุติ โลกเขาสมมุติให้ตัวจริงมันก็เท่าเดิมสมมุติโลกอย่างนี้เป็นความจริงเหมือนกันแต่ว่าจริงโดยสมมุติเรียกว่าสมมุติสั จ, จะของที่เป็นสมมุติสั จ, จนั้นถ้าถูกผู้สมมุติรู้ตัวอยู่ก็ไม่เสียแต่ถ้าลืมตัวแล้วเสียทุกคนเสียก็เสียตรงที่ลืมตัวนี่แหละหลงสมมุติตื่นสมมุติ คิดว่าตัวใหญ่โตไปตามที่โลกเขาสมมุติความสำคัญตัวเองผิดนี่แหละที่เรียกว่ามานะท่านจะเห็นแล้วว่ามานะติดอยู่กับการพองตัวของสมมตินี่เองถ้าเราคิดเพิกสมมติออกเสียรู้ตัวเห็นตัวตามเป็นจริงมานะมันจะหาที่เกาะไม่ได้มีแต่จะยุบตัวลงไปเท่านั้นอยากจะรู้ตัวจริง อย่าช่างตัววัดตัวตวงตัวด้วยสิ่งที่มีวิญญาณมีจิตใจเพราะสิ่งมีจิตใจนั้นอาจจะประจบสอพรอเยินยอให้เราเหลืองไปก็ได้จงช่างตัววัดตัวตวงตัวด้วยเครื่องช่างตวงวัดที่ไม่มีจิตมีใจอยากสอบว่าตัวสูงจริงหรือไม่ก็เอาไม้วัดความสูงดู อยากทราบว่าตัวโตแค่ไหนลองเอาเชือกวัดดูอยากรู้ว่าตัวเรานี้วิเศษวิโสเกินกว่ามนุษย์มนาทั้งปวงจริงหรือไม่ให้คอยดูเวลาการอุจจาระปัสสาวะถ้าสิ่งที่ถ่ายออกมานั้นส ก, กรปรกเหม็นเน่าก็ให้พึงรู้ว่าตัวเราก็ยังเป็นคนเหมือนคนทั้งหลายอย่าหลงว่าตัวเองเป็นเทวดา ข้าพเจ้าขอโทษท่านผู้อ่านที่ต้องใช้คำพูดหนักๆแรงๆเพราะกิเลสข้อมานะนี้ต้องพูดกันอย่างนี้จึงจะรู้สึกตัวคนมีมานะก็เปรียบเหมือนอึงอ่างทะเลแล้วดูฝนนั่นเองยิ่งลูปหลังก็ยิ่งพองลมต้องเคาะให้เจ็บจึงจะยุบลนเขียนมาทั้งหมดนี้เป็นการสนทนากับท่านผู้อ่านเพื่อเสนอแนะทางปฏิบัติในการละมานะของตัวเราเองเท่านั้น ม่ใช่ให้ลบหลู่แก่ผู้อื่นการประพฤติต่อคนอื่นนั้นจำเป็นจะต้องยอมรับสมมุติสั จ, จของเขามิฉะนั้นแล้วผิดธรรมแต่สมมุติของเราเองต้องเพิกบ่อยๆไม่เช่นนั้นจะลืมตัวประเดียวตัวลอยหายไปเสียเห็นแต่สมมุติจะยุ่งใหญ่